ก็คงจะปีนิฝุนจะมาไว้มามาไว้ขึ้นแทนที่มันจะมาเมษาแล้วเป็นบางทีนู่นพิถุณากรกฎาแต่นี้มันอาจจะทิ้งเมษาไปไปล่มจนตกมิถุนากรกฎาไปเลยไม่ไม่เป็นช่วงนั้นนั้นก็ในการปฏิบัติภาวนาก็มีความสอดคล้องอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับไอ ฟ้าอากาศซึ่งเราพูดกันไปเมื่อวานเรื่องธรรมชาติทัศน์สี่ที่เราต้องเรียนรู้นะทีนี้ธรรมชาติทัศน์สี่นี้ถ้าหากว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่เบียดเบียนมากเกินไปก็คือรู้จักปรับใส่กันนระ้อนอย่างนี้บางคนที่ไม่ร้อนก็มีนะจะวิธีปรับใช้แอร์ใช้พัดลมใช้น้ําหรือใช้ในห้องเย็นห้องแอร์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 บรรยากาศสิ่งแวดล้อมเดียวกันแต่ได้รับผลกระทบไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการในสมัยใหม่ก็ใช้ว่าบริหารจัดการที่ดี่สมัยโบราณเขาไม่มีคําพูดแบบนี้เขาก็ใช้ว่าขึ้นอยู่กับวิสนา<ม>ว่าเรามีขึ้นอยู่กับบุญของคนนั้นคนไหนบริหารจัดการดีเอบุญเขาเยอะเนาะอากาศร้อนเขาก็ไม่ร้อนอากาศหนาวเขาก็ไม่หนาว โอ้บุญเขาบีบปานกลางอากาศร้อนก็ร้อนนิดหน่อยไม่ว่าอากาศหนาวก็หนาวนิดหน่อยบุญบา ร, รมีสร้างมาระดับหนึ่งโอ้บุญบา ร, รมีไม่ดีเนาะอากาศหน้าร้อนก็ร้อนจะตายอากาศหนาวก็หนาวจะตายอันนี้ซึ่งขึ้นเป็นกฎของธรรมแต่ว่าเราไม่เราด้วยความเคยชินแล้วไม่ค่อยจลัมาวิเคราะห์กันในแง่ของการศึกษาธรรมในแง่การศึกษาธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจุบัน ซึ่งที่แล้วมาเนี่ยไม่รู้ม่รเรื่องผิดพลาดเรื่องถูกต้องในในเดียะไม่นานนี้นะที่นําเอาเรื่องของตำรับตาําราอดีตนิทานยาวนานอะไรมาเล่าแทนที่จะจับเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันมาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขร า, ายวันแต่เอาเรื่องอดีตชาดกนิทานข้างพุทธการหรื อ, อเรื่องของอประหลาประลา เอามาเล่าสู่ให้ฟังซึ่งมันไม่เวิร์กเราไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในเรื่องของพวกนักปริยัตินะ่จะนักปฏิบัติที่เป็นว <c oughs> ิปัสนาแล้วก็จะไม่ทิ้งอดีตอนาคตและปัจจุบันนะเชื่อมกันทั้งสมการหมายก็ว่าเรื่องราวในอดีตก็เอามาเล่าบ้างมาเป็นอุทาหรณ์นิดหน่อยเรื่องปัจจุบันก็คือเอาเหตุการณ์ปัจจุบันขึ้นมาเชื่อมกับอดีตให้ติดต่อกัน มองเห็นอนาคตว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรต่อไปลักษณะนี้เป็นลักษณะของการปฏิบัติวิปัสนาที่เป็นสมาธิธซึ่งเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีการเรียนรู้จากกัยาณมิตรมันก็เข้าใจได้แต่ว่ามันนานมากหรือไม่มีโอกาสเข้าใจเลยถ้าหากว่าเราญาณปัญญาในระดับญาณสามเราไม่เกิดเนี่ยเราก็งงๆไปเรื่อยๆ แต่ถ้าสมุติญานสคือตั้งแต่ปุเพนิวาสันติญาณจุตูปปัตติญาณแล้วก็อาสักวะายะามันเกิดแล้วก็เชื่อมการทั้งสามเข้าด้วยกันหมดมองทะลุมหมดปุเพนิวา น, านิวาสานสุสติญาณสามารถเชื่อมอดีตเข้ามาได้ทั้งหมดจุตูปปัตติญาณเชื่อมอาคปัจจุบันเข้ามาได้ทั้งหมดและอาสวะยะญาณเชื่อมไปสู่ต่อนะคตว่าเราจะแก้ปัญหา อย่างไรเรียกาอสาเซลคายายานเพราะนั้นยานทั้งสามเชื่อมกับการทั้งสามอย่างลึกซึ้งแยกจากกันไม่ได้แต่ตหลังมาท่านมาใช้หลักปริยัติให้มันใกล้เคียงกันมากขึ้นแทนที่จะใช้ยาทั้งสามมันใช้ยาสามอีกรูปแบบนึงใช้คำว่าอดีตังสยานปัจุปนังสยานอนาคตังสยาน ยานทั้งสามมาเชื่อมกับยานทั้งสามที่เป็นหลักที่พระเจ้าตารัสดูเนื่องการภาวนาจะต้องทําให้เราเห็นการทั้งสามเชื่อมทะลุกันระหว่างอาดีตปัจจุบันอนาคตแล้วเราก็สามารถจะมองเห็นว่าอาดีตเป็นมาอย่างเงี้ยปัจจุบันเป็นถึงเป็นอย่างนี้และอนาคตมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะทํานายวางแผนการได้ถูกต้อง ดังนั้นให้หลักพยาบุตรพยากรณ์มันก็จะมีไม่ได้ถ้าเราไม่มีอาศัยการทั้ง3อันนั้นหลักของวิยทยาศาสตร์การเมืองอากาศการทําถ้าพวกโหราศาสตร์ก็จะใช้เป็นเรื่องศาสตร์ในว่ารีการเรื่องอนาคตเรื่องหมอดูเรื่องโขนโหราศาสตร์มันจึงไม่เกี่ยวข้องกันทฤษอย่งย า, างทั้ง3ามจึงเกิดศาสตร์เหล่านี้ขึ้นอุโทกศาสตร์พยากรณ์ศาสตร์ โบราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกันในแง่ของทางด้านการศึกษา ح, ทางด้านวิทยาศาสตร์แต่ในแง่ของพระพุทธศาสนาวิปัสนาทั้งใช้คำว่ายานทั้ง3เหมือนกันอารติตังเ ย, ยาน ป, ปัจจุบันตังเยานอานาคตังเยานเมื่อเราเข้าใจหลักการในนี้แล้วเนี่ยมันก็ง่ายต่อการจัดการตัวตัวเองว่าออปัจจุบันจะอยู่ไงจึงจะสบายาที่แล้วมาเราทำอะไรผิดพลาดบ้างไหมปัจจุบันเรางเป็นอย่างนี้เราแก้ไขปัจจุบัน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 นี่เพราะนั้นตัววิปัสนาญาณจึงเชื่อมญาณทั้งสของพระพุทธเจ้าคืออุเพนิวาสันติญาณจุตุปปะปัญาณและอาสกญาณเชื่อมต่ออดีตตังสยานอนาคตตังสยานปัจจุปนังสยานโดยมีวิปัสนาญาณเป็นตัวเชื่อมซึ่งถ้าเรายังไม่รู้เรื่องหลักปริยัติเท่าไหร่เราก็จะฟังไว้ก่อนก็ได้นะยังอาจจะนึกภาพไม่ออกทั้งหมดดังนั้นง่ายๆก็คือว่าเราจะ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 โยตีตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกูปังตังวิธรรมมนุกุยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแขลนเขาขพึงพ่อปูนอาการเช่นนั้นไว้คําจากความเขาว่าวิปัสนาญาณคือเห็นสิ่งที่ธรรมมันเกิด ข, ขึ้นเฉพาะหน้าอย่างแจ่มแจ้ ง, จงไม่งอนแงนคอนแขลนเขาควรพ่อปูนอาการเช่นนั้นไว้เห็นไหม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 เหมือนก็เราระวังตัวดีมากในการนั่งขบบนรถกับรถคันนี้ยเราก็ไม่ประมาทเลยแต่เราต้องร่วมชะตากรรมกับคนขับรถที่ประมาท <c oughs> เวลาเกิดอุบิเหตุขึ้นเราโดนไหมโดนนะเราประมาถทถามว่าเราประมาทไหยประมาทแต่ทำไมต้องโดนนะเพราะเราไปร่วมชะตากรรมกับคนประมาทอ่ะาะะฉนั้นในภายในที่ผ่านมาเดือนสองเดือนหลวงพ่อโดนได้สองแผลนะเพราะร่วมกับคุณประมาทแผลแรกนิ้วนิ้วนี้เกือบขัด อพอตัดไม้ใช่ไหมคนก็ถือพอไม้มันก็จะขาดมันฉีกใช่ไหมไม้ไม้สางไม้ไผ่พอฉีกก็เป็นบาดจ้าดก็ตรงนี้เลยเก็บจะล่องแร่งเนี่ยหลวงพ่อพอแรกหลวงพอ่พ อ, พ อ, พอกดแผลทันทีเนียกดสนิทเลยนะไม่ให้เลือด ม, มันออกจึงก็ตลังแน่ใจว่าเลือดไม่ออกเพราะว่รีบไปหาอ่ายาเหลืองไฮโดรเยนจนก็เทปมาพันเลยไม่เกินสาวันแผล น, น, นี้แห้งสนิท ติดเลยเหมือนไม่โดนเลยใช่มถ้าใครหาหมอปัจจุบันไป โ, โดนเย็บโดนเย็บไม่รู้อีเข็มอะไรเนี่ยแทบจะขาดร่องแรกเลยนะ น, น, นี่คือเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เกิดได้แต่เราจัดการปัจจุบันให้เร็วที่สุดได้นี่นคือการมีสติเมื่อวานก่อนมาลงเอาส ม, มุดมาลงบอรร่วมกับโยมมาช่วยไปส ม, มุดใหญ่นะรเราขนาดที่เอาลงเราก็ถือสายไอ้ที่จะสายไฟที่ติดเชส ม, มุดลงในวอ โยนสองคนเขาเชื่อมต่อท่อเขาด้วยกันเชื่อมต่อกาวยังไม่ทันแห้งเขาเรียบเอาลงเขาลืมไปลืมตัวพราะโยนไปเราเป็นคนถือสายอาที่ไหนเทปมันก็หลุดดีนะเพราะหลุดเพราะไอ้สเสมอือนมันหนักกี่กิโลอะปึง่งลงไปรัดนิ้วโดนตงไปสองนิ้วเลยนิ้วนี้กับ น, นิ้วนี้นิ้วนี้พึ่งผ่านมากี่วันประมาณสักห้าวันแล้แพ้สนิทละแทบจะขาดเหมือนกันเนี่ยพึ่งเอาก็เทปเอกเนี่กดสนิทเหมือนกันพอโดนป๊อบกดสนิทที่เอา ฮาริยันทาแล้วก็อันนี้ปิดแผลเะ่นนั้นการที่เราไม่ประมาทแต่ร่วมแสดาการบวคคลประมาทแล้วเราก็ต้องโดนยุนได้แหละอันนี้คือเราไม่สามารถคุณปฏิบัติทำขั้นระดับไหนขั้นไหนก็ตามพระเจา้าถ้าถูกทำร้ายมหมอยู่ร่วมบุคคลประมาทแล้วใช่ไหมถูกกลรีงหินใส่ถูกไล่ช้างใส่ถูกไล่ฟันนะใช่ไหมถูกด่ากันทั้งหมู่บ้านน่ะใช่ไหมเหตุการณ์นะครับพุทธการ ถามว่าพระพุทธเจ้าประมาทไหมไม่ประมาทแต่ท่านต้องอยู่ร่วมโลกกับคนประมาทต้องได้รับชะตากรรมเราก็เหมือนกันเราปฏิบัติธรรมกันาดไหนจะไหนให้ทําใจได้ว่าเอ๊ะทาไมเราต้องทุกข์อยู่ทําไมเราจึงเป็นอย่างนี้อยู่ให้รู้ว่าเราต้องร่วมชะตากรรมกับคนประมาทต้องโดนอยู่แล้วส่วนเราจะโดนมากน้อยขึ้นอยู่กับเราทันปัจจุบันไหมถ้าไม่ทนันปัจจุบันหลวงพ่อในภายในเดือนนี้หลวงพ่อโดนเยไปสองครั้งแล้วเนี่ย แต่ตอนปัจจุ บ, บันคือจัดการทันทีเพราะฉะนั้นอันนี้คื อ, คอหลักฐานไม่ใช่เรื่องเมคเลยนะเป็นหลักฐานที่เจอได้ตัวเองเท่านั้นในเรื่องเหล่านี้นะดังนั้นก็เลยอยากว่าเราก็เหมือนกันอยู่ร่วมกันมาถามว่าทําไมเราไม่จัดสรรคนที่ไม่ประมาทมาอยู่ร่วมกันเป็นไปไม่ได้เพราะเราจะสรรได้เฉพาะอย่างมากที่กับตัวเองเท่านั้นใช่ไหมอย่างอื่นเนี่ยเราไปจัดสรรไม่ได้ไปจัดสรรวิบากกรรมคนค อ, อื่นไม่ได้แต่เราต้องอยู่ร่วมกับเขาอะ่ะ ส่วนเขาจะมีวิบากกรรมมากน้อยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับโชคของเราวาสนาของเราถ้าโชค ว, วาสนาเราดีเราก็ได้คนที่ประมาทน้อยๆมาอยู่ใกล้ตัวโชค ว, วาสนาเราสร้างามาไม่ดีเราก็ได้คุณประมาทมากๆมาอยู่ใกล้ตัวเราก็ต้องโดนวิบากกรรมจากเขานั่นแหละนี่นคือที่มาของสุขของทุกเราต้องวิจัยออกเอ้ทาไมเราจะมีมคุยเช่นว่าไทําไมต้องเป็นอย่างทําไมต้องเป็นอย่าง น, ง น, างนี้เพราะเรารู้เหตุปัจจัยของมันใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เรามีแม่บ้านเรามีลูก เราพาแม่บ้านมาปฏิบัติไม่ได้ลูกมาปฏิบัติไม่ได้ทําให้เขาประปัดน้อยลงไม่ได้เขาก็ประมาทมากขึ้นเหมือนเดิมใช่ไหมเราอยู่ใกล้เขาเราโดนไหมไน่นเห็นไหมอันนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมยากใกล้ๆนะออโดนแต่ถ้าหากว่าเราโชคดีหน่อยเราดึงแม่บ้านมาปฏิบัติได้พ่อบ้านมาปฏิบัติได้ลูกมาปฏิบัติได้เราโชคดีที่เราสามารถโน้มเขาก็ประมาทน้อยหน่อยพูดกันรู้เรื่องหน่อยใช่ไหม อ่าเข้าใจแล้วมันก็สามารถจะช่วยให้ประบัตปน้อยลงได้ตอนนั้นอันนี้คือเหตุการณ์ณนะปัจจุบันเราต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าอะไรเป็นอะไรทีแล้วเราจะไม่สงสัยว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมเฮ้ยทำไมฉันทุกขนาดนี้ฉันปฏิบัติธรรมใช่ไหมเออฉันก็ทําดีมาตลอดทำไมฉันทุกขนาดนี้เราจะไม่สงสัยนะไม่สงสัยเพราะมันมีเหตุปัจจัยทีนี้เราก็มาสงสัยวาสนาตัวเองเอมื่อก่อนทําไม ไม่สร้างวา ส, สนาดีๆเมื่อก่อนเราประมาทเราก็สร้างแย่ๆมาเหมือนกันใช่ไหมมันก็นมามีวิบากของเราแทนที่เราจะได้คนมีสติปัญญาดีๆมาอยู่ใกล้ๆชิดเยอะๆแต่ว่าเราก็เคยประมาทมา ก, ก่อนวา ส, สนาบารมีให้เราได้มาแค่นี้ยเพราะเราเคยทําอะไรที่ไม่ดีมาก่อนเหมือนกันนอดดนะิเมื่อเรารู้อย่างงี้ปั๊บเราแก้ไขอดีตได้ไหมไม่ไ ด, ไได้แต่เราอยากจะได้อดีตที่ดีต่อไปเราก็ทำมาทำที่ณปัจจุบันคือกระตุ้นคนใกล้ตัวของเราให้มีสติมากที่สุด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 ในเรื่องตำราในเรื่องความคิดมันสมองสติปัญญาของคนอื่นซึ่งไปถามว่าคนเหล่านั้นเป็นคนได้บรรลุธรรมมาก่อนไหมมาเขียนตำราเนี่ยแม่นั่งนั่งเทียนเขียนเอาทั้งนั้นเลยถามว่าข้อมูลตามตำรานั่งเขียนทียนั่งเทีย น, นเขียนเอาเนี่ยมันเวิร์กไหมในยุคปัจจุบันไม่เวิร์กนะมันเป็นเรื่องข้อมูลอดีตล้วนเลย ม, มันก็ไม่ตอบสนองตอ่อการแก้ไขปัญหาปัจจุบันอย่างทันการใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่าลกูกเขา แต่มีความสูงไม่มีไม่มีหวังเลยที่จะไปสุขกันนะ่เพราะเขาอยู่กับความคิดในอดีตทั้งนั้นเลยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะอันนี้คือเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยทีอ่อันนี้ไปไปวินทบาทอีกหมู่บ้านหนึ่งนะวันเก้าปฏหลังแนะไรทั้งนั้นเองก็อยากจะให้ศึกษาธรรมะในมิติเนี่้นะ เที่ยวนี้เราอประกาศที่ว่าจะริเทสอยู่ที่สงุฆนะ์คนสมัครมายี่สิบห้าคนใช่ไหมเพราะเราเปลี่ยนสถานที่ปั๊บถือโอกาสบอกมาแพงแสงเทียนหุดไปเลยนะเขารู้กี่ที่แฝงแสงเทียนดีบอกพราะเราไม่ได้บอกว่าแพงแสงเทียนคือจริงแต่เวอร์ชันของหลวงพ่อนะีไม่ใช่เวอร์ชั่นของแฝงแสงเทียนนะเราบอกไปไม่ทันเพราะนั้นก็เหลือได้กี่คนเท่าไหร่ก็เท่านั้น แต่ก็คจริงกระทำที่นี่ก็ได้แล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเท่านั้นเองไปใช้ที่แพทย์แสงเทียนแต่ว่าครูเดียวคงไม่ได้ไปนะครูเดียวผมขอหาคนงานให้สามคนนะครูเดียวกับดุงสามกับทิศช่างอุดเนี่ยนะชอดุดแล้วก็จะมีผู้ช่วยอยีกคนหนึ่ง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 ไม่ต้องอนาถ ร, ร้อนใจว่าทำไมไปงงทำไมไปงี้เพราะเราไม่สามารถจะไปควบคุมเหตุปัจจัยต่างๆมันพี่มันเป็นไปตามเรื่องของมันนได้ น, นั้นเองกอ็เราอยู่ร่วมโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเขต้องยอมรับความจริงเพราะทุกคนส่วนใหญ่ที่อยากไปสงฆกเระอยากเห็นบรรยากาศที่ครูจิเลพนเคยโฆษณาเอาไว้เท่านั้นเอง <laughs> <c oughs> <c oughs> แต่อยากจะศึกษาธรรมะจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่นะเ <c oughs> คยมีน้อยคน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 จัดสรรให้เท่าไหร่เนี่ก็เอาเท่านั้นทําเท่านั้นเรียกระบบธรรมะจัดสรรใช่ไหมเราทำดำอยากคนที่เราจะได้สามสิบคนแต่ธรรมะจัดสรรให้เราห้าคนก็ต้องห้าคนเท่านั้นเองมันก็เกิดความสบายใช่ไหมก็เบาสบายเราไปเที่ยวไปเขียนท่านมาได้แสามสิบคนมันทุกข์มากเลยทีเนี้ยใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าธรรมะจัดสรรเท่านั้นเองก็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 เพราะนั้นเรื่องสมาธิิดูเหมือนพูดง่ายๆนะแต่พอเอาจริงๆมันไม่ง่ายนะนสมาธิิมีสองระดับเบื้องต้นคือสมาธิในระดับรู้รูปนามระดับพระโสดาบันพระสกิาราคามีสมาธิิเบื้องสูงตั้งแต่รู้ ป, ปรมาติ้งแต่ตั้งแต่พระอนาคามีและพระอาหารหันต์จะเป็นสมาธิิเบื้องสูงสมาธิเบื้องต้นคือพระโสดาบันกับพระสกิรัาคามีสัมผัสได้ใช้ได้เอานะใช้งานได้ เพราะนั้ในอารมณ์หลักมันคือสองชุดชุดรูปนามกับชุดปรามัดเท่านั้นเองใช่ไห ม, ไหมแต่ความจริงชุดที่3าคือการเกิดดับมันก็คือเหมือนกับในนามปรามัดเหมือนกันแต่ว่ามันคือคล้ายกันเท่านั้นเองแต่ในส่วนย่อยเนี่ยรูปนามอารมณ์รูปนามเป็นมีเปนมม็นสิบสิ 10, 10ชั้น อ, นอารมณ์ปรามัดก็เป็นอีกสิบสิชั้นเนี่ยแต่ลหลักมันก็มีแสงสอขั้วเท่านั้นเองขั้วรูปกับขั้วนามอารมณ์รูปนามก็เกี่ยวข้องกับรูปอยู่ใช่ไหมอารมณ์ปรามัดก็เกี่ยวข้องกับนามเท่านัา้นเอง จะมีสองขัวหลักๆพอเราจับของขั้วหลักได้ปั๊บเนี่ยมันก็ง่ายเลยใช่ไหมในการปฏิบัติว่าตอนนี้เรารู้ร <c oughs> ูปนามคือเกี่ยวข้องรูปนามแก้ไขปัญหารูปนามระดับรูปนามได้ดีชัดเจนแม้คนอื่นเข้เาใจนะพราะกี่ยวข้องกับนามเอ่ยเกี่ยวข้ อ, ของกับปรมาทิตย์เราแก้ปัญหาระดับนามรูปได้คืออารมณ์ต่างๆเราแก้ได้ดีชัดเจนได้ไหมพอแก้ได้ีชัดเจนปับ๊บมันก็ไปเห็นการเกิดดับเท่านั้นเองพอเกิดเหตุเกิก็จบ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 เขาเข้าใจระบบออกมาวิสปีก่อนที่เอามาสอนเขานะตอนนั้นเอาก็ยังอยู่ในรูปนามอยู่ยังไม่รู้ปรามัิเลยนะอเขาใช้รูปนามนี่แหละนก็ใช้แบบกดบังคับแบบระเบียบอะไรเข้ามาจัดการแต่มันมันก็เลยทําให้คนที่เขาเข้าใจปรามัติแล้วเขารับไม่ได้เขาก็ไม่อยากไปต่หลังมาหลองพพัฒนามาสอนปรามัดพ่อพอรู้ปรามัติแล้วใช่ไหมเขาก็รู้เข้าใจแพร่แสงเทียนนั่นคือพัฒนาการที่นี่หลวงจะเข้าไปอีกทีก็ค่อยเข้าไปเพื่อจะเอารูระบบปรามัดไปสอน พญานุพ่อค่อยแก่ว่าเออเอาแยกผู้หญิงไปทางหนึ่งผู้ชายไปทางหนึ่งเนี่ยไม่ถูกนะต้องให้มันเห็นกันให้มันรู้กันให้มันเข้าใจกันธรรมชาติอยู่ร่วมกันแล้วคุณไปบังคับให้จะต้องทำงนี้ทำนี้ไม่ถูกอันนี้เป็นเวอร์ชันของพ่อเด้ให้หลวงพ่อจัดการแล้วคุณไม่ต้องจัด <laughs> พาพี่คุณเลยยอมก็หลวงพ่อเราจัดการนี่เคอคงยอมเป็นวางเรื่อง น, นะนะ บางดึงเพราะเขาเสียบติดมานานสิบปียี่สิบปีก็เห็นใจเขาแต่เราค่อยจัดการทีละหน่อยก็คงจะค่อยๆจัดการไปแต่นั้นต่อไปผมอาจจะต้องไปจัดที่แพทแสงเทียนเรื่อยๆเหมือนกันเพื่อไปค่อยแก้ไขระบบที่เราเคยทําอะไรก็ไม่ถือว่าผิดพลาดแต่ว่าการพัฒนาการจะเอาหลักสูตรประถมมาสอนกันไม่ได้สําหรับคนต้องการที่จะเรียนมหาลัยต้องการรวมต้องการที่จะพัฒนาคุณจะไปมาข้มามไปสอนในเรื่องแต่ประถมเขาก็รับไม่ได้ เขนพัฒนาให้เป็นมัธยมได้มหาลัยขึ้นไปตามลําดับแต่เขาก็ยังอยู่ในขั้นปฐมอยู่อย่างนี้เขาไม่ได้คนที่เขาเรียนต่อระดับอุดมศึกษาแล้วก็รับไม่ได้เขาก็ไม่มาท่านนี้คุณก็ได้ระดับอนุบาลระดับปฐมเข้ามามันก็ไม่เวิร์กอ่ะคุณก็เหนื่อยเนี่ยพระพิคุณก็ป่วยอย่างทีนี้มันคข้านานๆมานั่งฟังเทศบานั่งเงางอกเงาะเนี่ยมันก็ชี้ข้างหน้าเลยหละอ้เนี่ อ้าวไอู้ปผลมะลุคุณมานั่งงงอยู่ทำไมได้เนีมันได้มีอยู่ในลูปนามอยู่เนี่ยเรชี้กันตรงตรงนี้ยอ่โดนหลายงานในคราวที่แล้วที่แม่สายไปนั่งฟังกันออกมาเงาเงาะเอาออมาโดนนี้มาโดนอีกงานหนึ่งเขาคงจะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็บอกความจริงแล้วเขายอมปฏิทินนิดนิดนะในเรื่องที่ทิฏฐิมานะนี่จะแก้ไขทันทีไม่ได้เขาแก้ไขทีนิดนิดตามตามเหตุปัจจัยนะคือเราจะไปชี้ตอนไม่ไม่มีเหตุไม่ได้นะต้องชี้ตอนที่มีเหตุ นั่นหลายๆเรื่องนะมันมีอะไรที่ถ้าถ้าทะลรูปปัจจุบันนะมันมีอะไรใานศึกษามากแลก้วก็คำว่าธรมา ร, ธรมทัศนสันหรือธรรมทัศนการเห็นธรรมให้หนึ่งๆมันจะมีปรากฏแต่เราจะจำเอามาใช้ได้ไม่ได้เท่านั้นเองนะ